โอกาสต่อไปนี้ขอท่านผู้ใครในธรรมทั้งหลายจงตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมสำคัญอยู่ที่การฟังหัวใจของตัวเองหลวงปู่แหวนท่านเทศว่าให้กาหนดดูที่ใจ เพราะถ้าเราลู้ใจของเราเองแล้วมันหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความดีก็เกิดที่ใจความทั่วก็เกิดที่ใจบาปก็เกิดที่ใจบุญก็เกิดที่ใจใจเป็นผู้ก่อใจเป็นผู้สั่งสม ใจเป็นผู้ดิ้นลนใจเป็นผู้สแสวงหาซึ่งโดยธรรมชาติของใจแต่ดั้งเดิมเมื่อคืนนี้มีผู้เขียนปัญหารอถามเอาไว้ว่าจิตจบอวิธาใครเกิดก่อนหลังกันก่อนที่จะตอบปัญหาคำนี้ ขอทำคมเข้าใจก่อนว่าไอาสิ่งที่เราเรียกกันว่าจิตจิตใจใจนี่ดั้งเดิมมันไม่ใช่จิตไม่ใช่ใจมันเป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าธาตุรู้ท่านอาจารย์มั่นท่านว่ามันเป็นมนโนธาตุเป็นมนโนธาตุซึ่งมันมีหน้าที่ พร้อมที่จะน้อมไปสู่อารมณ์ในเมื่อมันน้อมไปสู่อารมณ์แล้วเพราะอาศัยอวิชชาคือความไม่รู้มันจึงเป็นผู้ดิ้นรนก่อสังสมเกิดตัวสังขารขึ้นมาปรุงเป็นโน่นเป็นนี่ปรุงเป็นผู้ชายปรุงเป็นผู้หญิงปรุงเป็นคนปรุงเป็นสัตว์ แต่แท้ที่จริงมันก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นว่าอะไรจะมีอะไรในจักรวาล น, นี้มันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็สมมติบัญญัติเรียกกันพอรู้เรื่องกันเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสิ้น มันจะเกิดมีอะไรมิอะไรขึ้นมาเพราะอาวิชชาความไม่รู้มันจึงเป็นเหตุให้ปรุงปรุงว่าอันนี้มันก็ดีปรุงว่าอันนี้มันก็เร็วปรุงว่าอันนี้มันก็เป็นที่พอใจเลยไม่พอใจอวิชชาปัจญาสังขาราอาวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้เกิดสังขาร ทั้งค้าละแปลว่าปรุงแปลว่าแตง่งเมื่อเค้นนด้ได้โพดฝากฝากเอาไว้แล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์เขาเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของเขาเขาเป็นกลางกลางเขาจะดีจะชั่วจะเร็วจะประนีตละเอียดอย่างไรก็ไอเจ้าใจที่มันมีอวิชชาห่อหุ่มนี่แหละ มันจึงไปเที่ยวปรุงว่าให้เขาดีเขาชั่วเขาเลวแต่แท้ที่จริงมันไม่ชะโงกลูเงาหน้าของตัวเองไปเที่ยวตูสิ่งโน้นตูสิ่งนี้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงไอ้เจ้ามนษยธาตุที่มันน้อมออกมาสู่อารมณ์เนี่ย พอมันมาสัมผัสรู้อารมณ์พับเข้าตัวอวิชชาความไม่รู้มันก็วิ่งเข้ามาผู้ถามถามว่าอาวิชากับจิตไหนเกิดก่อนหลังกันไอ้เจ้าอาวิชานี่แหละมันอ า, อาศัยแฝงอยู่ที่จิตถ้าจิตใจไม่มีอวิชามันจะไปเกิดที่ไหนโดยธรรมชาติของจิตใจมนุษย์นี่ เรามีความรู้สึกนึกคิดเฉพาะเวลาที่เรามีส่วนประกอบคือร่างกายบางทีอาตมะได้หัดตายเล่นๆ ล, ลองดูในเมื่อมันตายจริงลงไปแล้วปฏิสนธิวิญญาณที่มันคลองอยู่ในร่างนี่มันหนีออกจากร่างกายไปลอยติดอยู่เฉพาะตัวมัน แต่ว่าเฉพาะตัวมันมันก็ไม่เข้า่าเพราะมันไม่มีตัวมันมีแต่ธาตุรปลากฏดเด่นทัตอยู่เท่านั้นแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆที่จะแสดงความหวั่นไหวมันมีแต่แน่นิ่งอยู่เฉยๆแม้มันจะมองเห็นโลกทั่วหมดทุกมุมโลกมันก็เฉยอยู่อย่างนั้น โดยที่สุดแม้แต่ร่างกายคือตัวมันที่เคยอาศัยอยู่มันก็ไม่ไดิ้นนึกว่าตัวมันแม่ร่างกายมันจะเน่าเปื่อยผุพังไปประการใดก็าตามมันก็นิ่งเฉยข้องมันอยู่อย่างนั้นถ้าไม่เชื่อท่านทั้งหลายถ้าหากเป็นนักปฏิบัติสามารถทําจิตให้บรรลุถึงขั้นที่เป็นสมถะอย่างละเอียดจนตัวหาย ท่านจะรู้ได้ทันทีว่าในเมื่อมันเข้าไปสู่พบเดิมของมันซึ่งเป็นธาตุแท้ของมโนธาตุเป็นประถมบิญญาณมันจะไม่มีปฏิกิริยาอาการอันใดแสดงออกอย่างดีมันก็เพียงแต่เป็นนิ่งว่างสว่างอยู่เฉย ที่มันไม่มีปฏิกิริยาอาการอย่างนั้นก็มันไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องใช้แม้ว่าไอ้เจ้าจิตหรือมโนธาตุตัวนี้มันจะเก่งวิเศษสักปันใดก็ตามเมื่อมันมาสัมผัสกับร่างกายซึ่งมีความเป็นปกปกติความผิดปกติทางประสาทสั่งการ เช่นคนที่เป็นบ้าพิกลจริตมันจะแสดงความเป็นบ้าเฉพาะเวลาที่มโมท่าตัวนี้มันมาสัมพันธ์กับร่างกายเท่านั้นเองแต่เมื่อมันออกจากร่างกายที่พิกลพิการอันนี้ไปแล้วความเป็นบ้ามันก็หายไปจะว่าแต่ความเป็นบ้ามันจะหายไป แม้แต่ความสำคัญมั่นหมายว่าผู้หญิงผู้ชายว่าตัวว่าตนมันก็ไม่มีทางนั้นเพราะมันไม่มีอวัยวะประกอบซึ่งจะเป็นสิ่งให้เกิดหรือเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้แสดงกิริยาเปลี่ยนแปลงจากสภาพปกติเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของจิต ถ้าผู้ปฏิบัติมัวแต่จะไปงมเอาแต่ตัวส่วนที่จิตมันสงบนิ่งแน่เป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิโดยไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆบังเกิดขึ้นเอากันแต่เพียงแค่นี้ภาวนากันทีใดก็เอาแต่จิตสงบนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งอย่างไม่มีตัวมีตนปรากฏโดยที่สุดแม้ว่าโลกคือแผ่นดินอันนี้ก็หายสาบสูญไปหมดสิน้น ในจั ก, กรวาลนี้มีแต่จิตรวงเดียวซึ่งปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ความปล่อยวางของจิตในขั้นนี้จะเพิ่งเข้าใจว่าท่านถึงความบริสุทธิ์สะอาดแล้วแต่แท้ที่จริงมันปเปรียบเหมือนดังว่าเมล็ดในของผลไม้ในเมื่อก่อนที่มันจะหล่นลงจากต้นเขาเมันมันได้เก็บเอาอวัยวะต่างๆเข้าไปรวมอยู่ในเม็ดในมัน ในเมื่อเราผ่าออกมาแล้วเราจะไม่มองเห็นอะไรไม่มองเห็นอวัยวะซึ่งเป็นส่วนประกอบของมันลากแก้วลากฟอยเปลือกแกนใบดอกผลไม่ปรากฏในเม็ดในของผลไม้แต่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านจะปฏิเสธได้หรือว่าอาวัยวะส่วนประกอบส่วนอันเป็นต้นผลไม้นั้น เปลือกแกนใบดอกผลมันจะไม่มีแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็าตามแต่เชื่อแห่งล่ากแก้วแกนใบดอกผลมันเก็บรวบรวมเอาไว้ในแกนในของมันหมดแล้วสภาพจิตที่เราสามารถภาวนาแล้วเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปบรรจุเอาไว้ข้างในแม้มันจะเหลือแต่แกนในของมันคือความเป็นหนึ่งของจิตซึ่ง เรามองเห็นแล้วว่ามันใสสะอาดสว่างสวัยอยู่อย่าไปเข้าใจว่ามันหมดกิเลสแล้วแต่แท้ที่จริงมันเก็บเอาเชื้อของอวิชชาตันหาอุปาทานไปรวมไว้ในแก่นของจิตของใจของมโนธาตุปฐมวิญญาณและตัววิญญาณอันนี้ซึ่ง มันไม่มีอวัยวะส่วนประกอบที่จะแสดงปฏิกิริยาอันใดออกมาให้เรามองเห็นในแง่ที่เป็นกิเลสโลภโกรธหลงเราจึงเข้าใจผิดว่าจิตใจของเราบริสุทธิ์สะอาดแล้วถ้าหากเราจะมาสำคัญมั่นหมายเอาเพียงแค่นี้เป็นผลสำเร็จถ้าจะสำเร็จได้อย่างดีก็ถึงแค่พระนิพพานพรมเท่านั้นเอง นี่คือขั้นตอนแห่งศาสนาพราหมณ์ที่เขามีความเข้าใจว่าเมื่อเขาทำจิตใจให้เข้าไปถึงจุดที่สงบนิ่งสว่างโดยไม่มีอะไรเหลือมีแต่จิตดตวงเดียวล้วนล้วนแล้วเขาก็เข้าใจว่าของเขาสำเร็จพระนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรา มาทำสมาธิภาวนาถ้าเราไปติดอยู่แต่เพียงความสงบของจิตจิตนิ่งนิ่งแล้วอย่างนิ่งอย่างไม่มีอะไรร่างกายตัวตนหายไปหมดปติปัญญาหายไปหมดความรู้สึกนึกคิดใดๆไม่มีเหลืออยู่แล้วแล้วก็ไปเข้าใจว่าเพียงแค่นี้เป็นจุดสำเร็จพระนิพพานเหลวไหลทั้งปีอันนี้เป็นแต่เพียงแค่ว่า ความสงบของจิตซึ่งปราศจากความคิดทำไมมันจึงไม่คิดเพราะมันไม่มีเครื่องมือจิตมันไม่มีตัวมันจะเอาอะไรไปคิดแต่ถ้าเ พ, เพื่อว่ามันมาสัมผัสกับร่างกายมันก็เอาร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องใช้ความรู้สึกนึอคิดต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาทันที ในเมื่อมันมีตัวมีตนแล้วมันต้องมีตาถ้าตาเห็นรูปถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็ยังรู้สึกชอบโอ้ได้ยินเสียงถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็รู้สึกยินดียินร้ายในส่วนอื่นๆถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันประสบเข้าแล้วมันก็พอใจไม่พอใจดังนั้นในลทัทธิศาสนาพราหมณ์ที่เขาเข้าใจว่าเขาสําเร็จ นิพพานแล้วก็เพราะเขาทําจิตไปถึงจุดตังที่กล่าวนี้ในเมื่อจิตอยู่ในจุดดังที่กล่าวนี้ความรู้สึกในอาการของกิเลสและความรู้สึกนึกคิดใดๆมันไม่มีจริงๆจึงเป็นเหตุให้คนที่มีปัญญายังอ่อนเข้าใจว่าตัวเองนี่สําเร็จมรรคผลนิพพานไปแต่แล้วแต่เริ่มนึกถึงว่า เมื่อเขาออกจากสมาธิในขั้นนี้มาแล้วในเมื่อมามีตาหูจมูกลล่นกายใจเขาเลิมนึกไปว่าเขายังมีความยินดียิน้ายถึงแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเขายังมีความยินดียินร้ายอยู่เขาก็ยังชะล่าใจยังนึกว่าจะตายเมื่อไหร่ก็รีบเข้าไปสู่พระนิพพานในจุดดังกล่าวแล้วก่อนนิพพานหมดกิเลสไปเลยไม่ต้องมาเกิดอีก อันนี้คือความเข้าใจของผู้มีสติปัญญาน้อยแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์เคยทำจิตของพระองค์ให้ถึงขั้นนี้ทดสอบไปรู้จีพันครั้งหมื่นครั้งเมื่อจิตบัรลกถึงขั้นนี้ออกมาตาหูจมูกลิ้นกายใจยังมีรลปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ผ่านเข้ามา พระองค์จึงถือเอาประหลอดเป็ น, นเอาเป็นประหลอดเครื่องวัดว่าสภาพจิตที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันยังคงสภาพเดิมอยู่หรือเปล่าพระองค์ก็มาทราบว่าในเมื่อประสิ่งเหล่านั้นแล้วอวิชชาความไม่รู้รู้เท่าเอาเอ า, วอาวความไม่รู้หรือความรู้เท่าเอาทันมันยังไม่เพียงพอคือสติปัญญายัางอ่อน ความรู้สึกกินดีกินร้ายความชอบความไม่ชอบมันก็ยังเหลืออยู่ถ้าเราจะเป็นรอเอาต่อเมื่อว่าเราใกล้จะตายแล้วรีบเข้าสมาธิทำจิตให้มันไปบรรลุคุณธรรมถึงขั้นนี้แล้วนิพพานไปถ้าเพื่อว่าเราเผลอไปแล้วเราเข้าทานด้เข้าสมาธิขั้นนี้ไม่ทันตายเสียระหว่างกลางคันเราจะไม่ตกนระกหรือ อันนี้เป็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าในจุดที่มันมีความละเอียดสุ ข, ขมุมจนกระทั่งตัวหายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแล้วในโลกนี้จั ก, กรวาลนี้มีแต่จิตของเราอันเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าออกมาข้างในที่จะเราอยู่ข้างในสภาพจิตมันเป็นอย่างไรเมื่อออกมาข้างนอกมาเห็นสิ่งต่างๆมาประสบกับสิ่งต่างๆแล้ว ถ้าความรู้สึกในด้านกิเลสมันไม่มีปรากรุดขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็แสดงว่าจิตใจของเรานี้มันบริสุทธิ์สะอาดตลอดกาลแม้ว่าอยู่ในข้างในซึ่งไม่มีตัวมีตนความเป็นของจิตในแง่ความยินดียินร้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วเมื่อออกมาสู่บรรณโลกนี้เรามีสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาอยู่ทุกลมหายใจ ถ้าสภาพจิตของเราหมดกิเลสจริงๆแล้วมันก็ไม่มียึดไม่มีปรุงไม่มีความยินดียินร้ายมันก็ยังคงสภาพปกติอยู่ตลอดเวลาอันนี้จึงจะไดิจวะเป็นผู้สำเร็จแล้วดังนั้นปัญหาที่ว่าอาภาชิติใครเป็นผู้เกิดก่อนหลังกันอวิชาเป็นเจตสิกอันหนึ่งซึ่งมันคอยติดตาม พระเจ้าดวงจิตดวงนี้มีอวิชชาอาวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุให้ทำกรรมครั้นทำกรรมแล้วได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วต้องเป็นเหตุให้มาเกิดอีกเมื่อเกิดเอ ก, ก็อาศัยอวิชชาตัวเดียวนั่นแหละแล้วก็หลงทำกรรมต่างๆตามความเข้าใจของตัวเองกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้าง ทำกรรมดีก็เรียกว่าทำบุญทำกรรมไม่ดีก็เรียกว่าทำบาปสิ่งที่เรียกว่าบุญและบาปทั้งสองอย่างนี้เป็นผลซึ่งเกิดโดยกฎของธรรมชาติคนเรามีกายมีใจในกายของเรามีใจเป็ดใหญ่ในเมื่อไอ้เจ้าใจนี่มันสั่งให้ไปตีหัวคนทักปอกหนึ่งลงไปเขาตายลงไปภายหลังมันมาเลกว่าโอ้ยเผลอไป ท่านทำเล่นๆไม่ต้องการผลตอบแทนจางอีกมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นผลที่จะพึงได้รับโดยกฎของธรรมชาติความยุธทธิธรรมอันใดในโลกนี้จะไปยิ่งใหญ่กว่าความยุตธิธรรม ท, ท, ที่ทิ่ว่าใจเป็นนายกายเป็นเบา ในเมื่อไอเจ้าใจนี่มันสั่งกายให้ทำอะไรลงไปให้พูดลงไปจะเป็นกรรมดีก็าตามเป็นกรรมทั่วกว็าตามเขาจะหลีกเลี่ยงผลงานที่เขาสั่งการลงไปไม่ได้เลยเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นอันขาดอันนี้คือกฎธรรมชาติที่เราจะต้องยอมรับ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงกระตุน้นเตือนให้เราพิจารณาอยู่บ่อยว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็าตามทั่วกว็าตามเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน จริงหรือไม่จริงก็ขอให้ท่านผู้ฟังไปพิจารณาเอาเองอย่างบางทีก็มีเด็กหนุ่มๆเด็กวัยรุ่นมาเคยถามว่าพระคุณเจ้าฆ่าสัตว์นี่บาปไหมบาปมันจะเห็นทันตาหรือเปล่าหลวงพ่อก็าถามว่ามนุษย์ก็สัตว์ประเภทหนึ่งใช่ไหม เขาก็บอกว่าไทยหนูจะทดลองหรือเปล่าถ้าอยากกลูก็ทดลองดูเอาเองหลวงพ่อรับรองว่ายืนยันว่าต้องเป็นบาปและเห็นบาปทันตาด้วยเอากันอย่างนี้ถ้าจะพิสูจน์กันให้เห็นจริงในปัจจุบันนี่หนูออกจากกุฏิหลวงพ่อไปแล้วเดินออกไปถนนใหญ่ เห็นคนเดินมาก็กำหมัดแน่นแน่นซัดปากมันเข้าไปสักหมัดสองหมัดลองดูสิมันจะมีอะไรโต้ตอบหรือเปล่าถ้าหากว่าหนูต่อยปากเขาแล้วเขาเดินหนีเถิดไปก็แสดงว่าการทํำลายร่างเขากายเขามันไม่เกิดบาปแต่ถ้าเขาซัดคืนแล้วก็แสดงว่ามันจะต้องบาปแน่ๆ อันนี้เราพิสูจน์ได้เลยยไม่ต้องไปพูดถึงผลบาปกรรมที่จะต้องไปพูดถึงในสิ่งที่เราไม่เห็นอย่างในปัจจุบันนี้เราด่าเขาเขาด่าตอบเราตีเขาเขาตีตอบเราไลายต่อเขาเขาไลายตอบเราดีต่อเขาเขาดีตอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหยิบยกมาพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบ เพื่อจะยังศรัท ธ, ธาคือความรู้สึกของเราให้มีความเชื่อมั่นได้เลื่อมใสลงในคำสอนของส้มเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าการกล่าวธรรมะอันเกี่ยวด้วยภูมิด้วยภูมิจิตภูมิใจเพราะว่าในงานนี้เราก็ได้อาราธนาพระเทลานุเถระในระดับขณาจารย์ชั้นสูง ซึ่งเคยเป็นที่เคารพ บ, บูชาเป็นครูบาอาจารย์ของผู้แสดงธรรมก็หลายท่านพูดไปพูดมาก็รู้สึกว่าหนาวหนาวในใจเพราะโดยวิสัยของพระธุดงกรรมาฐานแล้วจะต้องมีความเคารพ บ, บูชาในครูบาอาจารย์ของตนเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ท่านทั้งหลายอารัตนามาแสดงธรรมนี้ ก็อดที่จะคิดไม่ได้ว่าเราอยู่ในสภาพที่ไม่ดีกว่าไก่ป่าไก่ป่าเขามีนิสัยเป็นอย่างไรเขมบอดว่าในป่าหนึ่งมีไก่ป่าตัวผู้มีจำนวนอยู่ร้อยตัวพันตัวเราจะได้ยินเสียงไก่ตัวที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นขัน ถ้าไก่ตัวอื่นขันแทรกแซงขึ้นมาแล้วหมูพวกของไก่ทั้งหลายมันจะลุมจิกจนตายอันนี้วิสัยไก่ป่ามันเป็นอย่างนั้นวิสัยของพระ น, นักปฏิบัติซึ่งมีความเคารพในบูชาบูชาในครูบาอาจารย์ถ้าพูดมากนักก็มีความรู้สึกหนาวในจิตในใจกลัวว่าเราจะเป็นบาป ซึ่งมันอาจจะเป็นการล่วงเกินก้าวไกลครูบาอาจารย์มากเกินไปในสมัยปัจจุบันนี้ท่านสหธรรมมกผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายบางทีอาจจะเผลอลืมตัวไปบ้างก็ได้เราไปที่ไหนเห็นแต่พระทวดงกรรมาฐานขันแข่งกันอยู่ไม่หยุด บางทีบางครั้งลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์บางองค์ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาแล้วมือไม้มันแข็งไปหมดกราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ลงตีตนเสมอกับครูบาอาจารย์จึงใครที่จะขอนำประวัติการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ตั้งเริ่มต้นแต่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเป็นต้นมา ซึ่งสมัยนั้นเป็นสามเณนรน้อยอายุเพียงสิบสี่สิบห้าปีเคยอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์นั่งประชุมกันอยู่หรืออยู่ในอาวาสนั้นๆหน้าที่ของการผกปัญหาแก้ปัญหาจะต้องเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าเราจะต่างคนต่างมานั่งเทศแข่งกันอยู่อย่างในสมัยปัจจุบันนี้ แม้แต่การถือนิสัยครูบาอาจารย์ตามระเบียบพระธรรมวิไนยตามระเบียบวินนยก็ตามเราอยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์เราไม่ได้นับอายุพรรษาครบห้าว่าเราพ้นนิสัยยมุรเพราะเราถือว่าการพ้นนิสัยยมุรนั้นจะต้องเป็นหน้าที่ของอุปชาอาจารย์เป็นผู้ยกให้ เห็นอย่างหลวงตาพรซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมะในสมัยที่ท่านออกจากคารวาสไปบวชทีแรกก็ไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นบังคับให้บวชเป็นตาเถนทีผ้าขาวอยู่สามปีโอปรรมสั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติ จ, จนจิตมีความสงบรู้ธรรมเห็นธรรม โลธรรมวินันระเบียบปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ในพระศาสนาเป็นอย่างดีแล้วท่านก็ให้เปลี่ยนจากเพศทีเป็นเพศสามเณรคือให้บวชเป็นเลนใหญ่อยู่อีกสามปีพอครอบสามปีแล้วท่านอาจารย์มั่นได้พาไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดประุมวนาลามในจังหวัดกรุงเทพนี่เอง ซึ่งท่านอาจารย์มั่นอาจารย์เป็นผู้นำมามามอบไห้พระปัญญาพิสารเถนหนูซึ่งเป็นพระอุปชายะของอาตมาเองเป็นอุปชาอุปสมบทให้ในเมื่ออุปสมบทแล้วก็อยู่ในสำนักของท่านอาจารย์มั่นเอาใจใส่ปนิบัติอุปถาครูบาอาจารย์ไม่ให้เดือดร้อน อาจารย์เรียวัดอุปชาจะวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระวินัยทุกประการจนกระทั่งท่านอาจารย์มั่นพิจารณาดูอุปนิสัยในการประพฤติปฏิบัติว่าสมควรพอที่จะออกไปบาเพ็ญเพียรโดยลำพังตัวเองได้แล้วท่านจึงเรียกมาสั่งบ่าพรเอ้ย เจ้าก็ฝึกฝนอบรมกับครูบาอาจารย์มาตั้งสิปนนิสัยจยมุตแล้วพอจะช่วยตัวเองได้เลีกออกไปหาวิเวกเฉพาะตัวสังฆกรเถิดให้โอกาสองค์อื่นเขาเข้ามาปนิบัติครูบาอาจารย์บ้างนั่นแหละจึงจะได้ออกจากสำนักครูบาอาจารย์นี่คือจารีตประเพณีของพระธุดง์กรรมฐานที่ปฏิบัติต่ออุปชาอาจารย์ ในสมัยอดีตในสมัยที่ท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นยังดำรงชีวิตยอยู่และอีกอย่างหนึ่งเมื่อปีพศ .2486 ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพลงแล้วก็ได้ทำทาปนาคิจคือถวายเพลิงเผาศพท่านอาจารย์เสา ในงานนั้นท่านอาจารย์มั่นก็ไปร่วมในงานด้วยในฐานะที่ท่านก็เป็นอันเตวาสิก ข, ของท่านอาจารย์เสาซึ่งอยู่ในระดับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในขณะที่ท่านแสดงธรรมท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมว่า เมื่อสมัยท่านอาจารย์เสายังมีชีวิตยอยู่ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเราบาัดนี้ท่านอาจารย์เสาได้มรณภาพไปแล้วก็ยังเหลือแต่เราคือพระอาจารย์มัน่นจะเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนหมู่ในสายนี้ต่อไปดังนั้นท่านผู้ใดสมัครใจจะเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มัน่นต้องปฏิบัติตามปฏิปทาของอาจารย์มัน่น ถ้าใครไม่สมัครใจหรือปฏิบัติตามไม่ได้อย่ามายุ่งกับอาจารย์มั่นเป็นอันขาดในโอวาทครั้งสุดท้ายที่ท่านอาจารย์มั่นได้ประทานเอาไว้ไม่ทราบว่าสหธรรมิกซึ่งเป็นลูกติดท่านอาจารย์มั่นจะจําได้หรือเปล่าถ้าหากจําได้ก็ขออภัยด้วยถ้าหากจําไม่ได้ก็ลองเอาไปคิดเป็นการบ้านดูสิ ว่าปฏิปทาของท่านอาจารย์มัน่นท่านปฏิบัติอย่างไรและเราควรจะดําเนินตามแนวทางของท่านอย่างไรจรึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกสิทธิ์ของพระอาจารย์มัน่นบางสิ่งบางอย่างที่เราอนุโลมตามความต้องการของชาวโลกแทบจะไม่ปรากฏแม้แต่การทำบุญมหาชาติการจัดงานวัดมีมหโสพต่างๆเราไม่เคยมี มาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็พาเป็นนักธุรกิจไปกันเสียไม่หยุดจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือไปเที่ยวโปรดรญาจโจมแต่ไม่แน่นักว่าไปเที่ยวให้ญาโจโตมโปรดหรือว่าไปโปรดรญาจโจมกันแน่ก็ไม่ทราบอันนี้ก็ขอฝากให้ลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ได้นําไปพิจารณาเป็นการบ้าน ครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์ฟัน้นทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการล่อแรล่เต็มทีก่อนหน้าที่ท่านจะสิ้นใจประมาณสามวันพอไปกราบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเบณที่สิบจุให้เอาท่านลุกขึ้น ลาก็เรียนท่านว่าหมอไม่ให้ลุกหมอไม่เห้ลุกท่านก็ย้ำอยู่ว่าเอาลุกขึ้นเอาลุกขึ้นในมนลุกขึ้นมาแล้วแทนที่ท่านจะพูดอะไรมือไม้ที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุต่าพยายามพยุงยกขึ้นมาแล้วกว็ชี้หน้าผู้ไปกลาบแล้วก็บอกว่านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบสั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทำได้ดีด้วย แต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันมากขึ้นเพราะเมื่อมันหมดลุ่นของพวกเธอแล้วธาตุดงกรรมาฐานมันจะไม่มีเหลืออันนี้ก็เป็นโอวาทของท่านอาจารย์ฟันซึ่งท่านประธานไว้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ใครที่จะขอฝากเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเอาไปพิจารณาเป็นการบ้าน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าคลองหรือว่ากำลังถอยหลังเข้าคลอง<ม>การถือโทปดงขวัตต่างๆเรามีความเข่งพัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไรถ้าสนใจในปฏิปทาหรือชีวประวัติของท่านอาจารย์มัน่น เราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้นเท่าที่สังเกตโดยทั่วท่วไปแล้วบรรดาพระภิษุสามเณรที่อุปสมบทมาอายุพรรษายังไม่ครบห้าระเบียบพินั ย, ยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูกแล้วก็ที่อัตาภายบาเดเจินทุดงจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือ ในฐานะที่เรายังไม่เข้าใจรับในเพียงพอไม่ได้ฝึกหัดนตสัยจากครูบาอาจารย์เราก็นำลทัทธิการปฏิบัติผิดผิดไปไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติทอบแท้ที่จริงแล้วจะเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี่ถือเคร่งนัก ท่านจะต้องฝึกสอนให้กราบให้ไหว้ให้ถูกต้องตามระเบียบเบญจังคับปิดโดยเอาหัวเข่ากับข้อศอกต่อกันวางมือลงราบ ก, กับพื้นนิ้วมือไม่เห็น่างเว้นระยะห่างข้อหน้าผากลงไว้ได้ระหว่างเคี้ยวกับหัวไม่มือจดกันทำหลังให้ตรงไม่ทำโ ค, งโคง้ง สแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบที่ครูบาอาจารย์ของเราถือนักมาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ชำเลืองดูแล้วการกราบการไหว้นี่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูดแต่ว่าโอกาสนี้เรามาประชุมกันมากๆ เพื่อหากว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้างถ้าหากใครจะเรีอก ว, ว่าเป็นเรื่องนำมาเป็นเรื่องประจานต่อหน้าธารักกำนันก็ไม่ควรอายเพราะว่าเราหวังดีต่อกันเพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศฟังธรรมกันบ้าง นอกจากเรื่องการกราบลองลงไปอันดับต่อไปก็คือการว่าอัคคระฐานกรอนให้ถูกต้องตามอักคระภาษาบาลีให้ถูกต้องตามสำเนียงมคตภาษาแล้วลองลองลองไปก็เรื่องระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับประเคีนสิ่งของของอันใดที่เป็นยาวกาลิกยามากาลิกสตาหากาลิกยาวชีวิก อาตีใะเอกลาภผลอันใดที่มันเกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านเคยให้เฉลีย่ยแจกแบ่งสงฆ์ราบไลพิสุสงฆ์ ส, งสามเณรผู้ขาดตกบกพร่องเพราะเราถือว่าเป็นสมณะสากยาบุตรด้วยกันเราจะต้องดูแลสุขทุกข์ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย พระภิกษุสง์อาพาธเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาแต่เท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมีเป็นหลวงพ่อหลวงตาไม่มีบุญบารมีมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลวงตกอยู่ในตาลาบากจะต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยม ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์องค์หนึ่งเจ็บ ป, ป่วยมาจากนครพนมชื่ออาจารย์ทองอโศกูเป็นอาจารย์ผู้ทำจิตแระศาสนาทำจิตธุระเฟื่อนโฟมูคณนะเป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสาเหมือนกันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไปทีแรกก็ไปอาพาธอยู่ที่วัดก่อแก้วอำมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม หายหลังยาโจมก็นำมาที่วัดป่าบ้านสวนวัวอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระโทดงกรรมาฐานเฝ้าวัดอยู่นัานเจ็ดแปดองค์พออยู่มาไม่ถึงอาทิตย์ครูบาอาจารย์ผู้เจมพึงพาอาศัยบุญบรารมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้น ท่านจะเห็นว่าการอุปถากพระภิสูุไข่เป็นการลำบากเป็นภาระหรืออย่างไรไม่สาบพระเนนทั้งนั้นสะพายบาทแปลกโกฎสีไปหมดทิ้งพระอาจารย์ทองซึ่งอาพาธเป็นโรคอมมาพาธให้นอนแองแม่งอยู่ในวัดป่าบ้านสวนงวเพียงองค์เดียว ในที่สดต้องเดือดร้อนถึงเจ้าคุณชินวงศ์สาจารย์ในพรรษานั้นจำสัตตาหะไปปนิบัติตลอดพรรษานในพรรษาเก้าสิบวันมีเวลาได้นอนวัดเพียงสิบสองวันเท่านั้นเองนอกนั้นไปจำพรรษาที่อืน่นจนกระทั่งท่านอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรณาภาพลงไปจัดการสพเสร็จจึงได้หมดภาระ อันนี้ก็เป็นสิ่งบกพร่องอันหนึ่งสำหรับรปลูกศิษธ์นักปฏิบัติของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวินัยอันเคร่งครัดเพกโสสงอาพาตเกิดขึ้นในอาวาสใจต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสา ม, มาเณรในอาวาสนั้นจะต้องอุปถากดูแลรักษาหายุหายาหาหมอมาพยาบาลรักษา ถ้าพิสุจโลภได้ในเมื่อเห็นสหธรร ม, มิกของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธลงถ้าหาคิดว่ามันจะเป็นภาณะยุ่งยากรีบออกหนีไปจากอาวาสนั้นเสียพระวินัยท่านปรับอาบัติเพราะขาดความเอื้อเฟื้อไม่เอาใจใส่แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด็จตรจับขันปรินิพพาน ก็ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาคิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเราจะรีบเล่งปฏิวัติให้ได้อราหาันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จตับขันธ์ประเพณิพานพระอราหันต์ในระพคุทุชนทั้งนั้นซึ่งสนใจในการที่จะประเพิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นว่านวากาองนั น, นวากาพิษุองค์นั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์จึงได้ยกเป็นนาทีกรขึ้นมาถือว่าท่านทาผิดแล้วก็นำข้อความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกมารับสั่งถามว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงหรือมีเหตุผลอันใดพระภิสุไมองนั้นก็ทูลว่าข้าพระองค์ ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรลินิพพานแล้วแต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรคผลฒิใดๆทั้งสิ้นจึงตัดสินใจเด็ดเดีดเด่ยวจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้ได้อาหารหันต์มาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จปรลินิพพานจากไปเสีย ในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเพจนั้นก็ยกย่องสรรเสริญพระภิกษุองค์นั้นว่าดีแล้วพิกษุดีแล้วพิสุขอให้พวกภิกสุทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่พึงเอาตัวอย่างพระองค์นี้แล้วเราจะได้ดิบได้ดีนี่ในสังคมของพระอรหันต์ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นอธิกรณ์ทิ่ขัน ทีนี่ถ้าหากว่าในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากหัธรรมิิของเราไปทอดทิ้งพระภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปถาตูแลรักษาพยาบาลเราสมณะสกากยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยบา ร, รมีของใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารยน์นี้ที่ท่านถือเป็นเรื่องเคร่งนักหนา อย่าว่าแต่ในอาวาสเดียวกันแม่พิกษุในอาวาสอื่นเกิดจากอาเกิดอาพาธลงท่านจะต้องส่งพระพริกษุสามเณรองคใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจโทรละหน้าที่แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งสันเสริญว่า ูอใดอุปธรรมปรถาพระพิษูอาพาตมีอานิสงส์งเท่ากันกับอุปถาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราตถาคตที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้นก็เป็นการกระตุ้นเตือนใจพระพิสูสงไม่ให้ทอดทิ้งกันในยามยากดังนั้นในปกติแล้วเรามีปัจจัยสี่เกิดขึ้นพระพิษูสงจะต้องพิจารณาแจกแบ่งกันไปตามฐานานุรูป เพื่อแจกแบ่งการใช้แจกแบ่งการฉันพอให้มีชีวิตยอยู่มีกำลังพอประพฤติพรหมจรรย์มีใช่ว่าจะแจกแบ่งเอาไปเพื่อความร่ำรวยหรือไปสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่าโดยปราศจากประโยชน์เพราะฉะนั้นโพชเนมัตตัญญุตาการปฏิบัติธรรมต้องถือหลักโพชนะโพชนะรู้จักประมาณในการบริโภค การบริโภคนี้ไม่เฉพาะแต่บริโภคปั จ, จัจสี่แม้แต่การประพฤติวัดข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะรู้จักประมาณดังนั้นในธรรมจักกับประวัตินสูตรสมเด็จพระพู้มีพระาพาคเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าถาเวเมพิกเวอันตาปะพจเตนานาเสวิจพาดูก่อนพิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันภาอันบพชิตไม่ควรส่องเสภ เคยการมาสุขันด้วยกานโโยะการประกอบตนให้พัวพันในความสุขมากเกินไปคือเกินพอดีอันนั้นมันเป็นเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของสมณะอาต า, ากิเลสมาถาโนโยการประพฤติตนเพื่อทรมานตนให้ได้รับความลําบากโดยเข้าใจว่ากิเลสมันจะเกิดแห้งไปเพราะการทรมานตนอันนี้บาปพริตก็ไม่ควรต้องเสภ เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุท ธ, ธาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติพอดิบพอดีไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนัก เป็นทางสายกลางเป็นแนวทางที่ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยผลดังนั้นตัวอย่างแห่งการถือในสัจฉิกทุโตงตามแบบเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันทร์ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีสิริจันโทจันทร์สอนให้ลูกศิดถือโตดงขวัดเกี่ยวกับการอยู่ในสัจฉิ ท่านบอกว่าใครสามารถที่จะอดนอนตลอดคืนยั่งลุ่งก็เป็นการดีแต่ถ้าอดด้วยการประพฤติปฏิบัติบาเพ็ญเพียรภาวนาถ้าอดนอนด้วยการคุยกันให้สนุกพอคะ่าเวลาแก้ง่วงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านถือทูปงอย่างหนึ่งให้เคร่งครัดเคอฝึกหัดนอนเวลาสี่ทุ่ม แล้วก็ตื่นเวลาตีสามเพื่อขัดให้ได้ทุกวันทุกวันจนเป็นนิสยัยจนกระทั่งว่าถึงเวลาสี่ทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเองเพอถึงเวลาตีสามแล้วไม่อยากตื่นมันก็ตื่นเองตื่นแล้วนอนลงไม่ได้เพราะนิสัยมันเคยชินท่านอาจารย์เสาในธานะที่ท่านมีพันกับพระอุบาลีคุณูปม า, าจารย์สด็จจันโทจัน ท่านก็ย้ำสอนลูกติดลูกหาในเบื้องต้นให้ฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกขัดตัวเองให้จำวัดเวลาสี่ทุ่มก่อนจะถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนารือศึกษาข้อวินันในสำนักครูบาอาจารย์ท่านไม่นิยมในการที่จะคลุกคีด้วยหมู่คณะด้วยการคุยด้วยการสนุกเพลิดเพลิน หรือโดยการอยู่การกินใดๆการหลับการนอนให้เคร่งครัดในการปฏิบัติเดินธุดงค์นั่งสมาธิภาวนาพอถึงสี่ทุ่มแล้วก็จำวัดหลับไม่หลับก็นอนมันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามนอนไม่หลับทั้งคืนพอถึงตีสามแล้วไม่ยอมนอนต่อไป โลกขึ้นมาเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาฝึกขัดนิดสัยจนมันเคยชินจนคล่องตัวถ้าใครปฏิบัติบัด ต, ตามโอวาทที่ท่านแนะนําอันนี้เป็นการฝึกขัดลูกติ์ในขั้นต้นถ้าใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอนทอดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบงังปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสํานัก ใครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่านในตอนแรกๆท่านจะมีตะดุ ก, กับดุด่ากับดา่าทำผิดท่านก็ดุทำถู ก, กท่านก็ด่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ดุดุเอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบางครั้งบางทีผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านทนไม่ไหวจะ่พายบาดแปลโกรธหนีไป ถ้าหากเวลาล่วงเลยเป็นหนึ่งปีมีอะไรอาจารย์มั่นจะสอนให้หมดท่านถือว่าท่านได้กลั่นกรองแล้วข้าพิตีก็ไม่วิ่งคนคนนี้เป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนได้เป็นคนมีอุปนิสัยคลานต่อไปแล้วท่านมีอะไรดีๆท่านก็สอนให้หมดอย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่น หรือท่านอาจารย์เหรียญอาจารย์บัวผ่าเคยผ่านสำนักของครูบาอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้ก็คือท่านอาจารย์บัวพาเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็ศึกษาลาเภศล้มหายตายจากไปถ้าจะนับอีกองค์ที่สองก็คือเจ้าคุณชินาวงสาจารย์ ท่านอาจารย์บัวพาก็ไม่ค่อยเทศไม่ค่อยพูเพราะติดนิดสัยของท่านอาจารย์มั่นแต่ที่แวกแนวปากเปาะหน่อยก็คือเจ้าคุณชินนวงสาอาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาอันนี้เป็นปฏิปทาย่อๆของครูบาอาจารย์ที่นำมาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สหรธรร ม, มิก ที่นี้หลักการสอนกรรมฐานของท่านอาจารย์เสาท่านเริ่มต้นด้วยการให้บริกรรมภาวนาพุทโธเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธทาจิตให้เป็นสมาธิคล่องตัวจนชานิชำนาญพอสมควรแล้วเพื่อจะให้จิตมีสติปัญญาก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันดับที่สองท่านสอนให้พิจารณากายคตาสติ ให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโศโครกการพิจารณากายจิตท่านถือคติเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งพิจารณาไปโดยอนุโลมปฏิโลมไปตามลําดับจนครบอาการสามสิบสองอีกอย่างหนึ่งท่านให้พิจารณาเพียงอย่างเดียว คือให้กำหนดจดจ้องมองดูที่บริเวณหน้าอกแล้วกำหนดจิตลอกหนังออกเถื่อเนื้อออกมองให้มันถึงกระดูกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนจิตมันเชื่อบ้านว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ในอันดับต่อไปท่านก็ให้บริกรรมภาวนาอาธิอธิแล้วก็จ้องความรู้สึกของจิตลงไปบริเวณหน้าอก พยายามทำบ่อยๆทำเนืองๆทำให้มากๆในที่สุดเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะได้นิมิตมองเห็นโครงกระดูกบริเวณหน้า อ, อกหรือมองเห็นโดยทั่วตัวยไม่เห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็เพ่งจ้องมองดูที่โครงกระดูกจนกระทั่งโครงกระดูกมันแหลกละเอียดสลายตัวไปหรือได้อสุภะกรรมาฐาน ในเมื่อพิจารณาอสุภากรรมฐานรู้จริงเห็นจริงอันเป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดจินตีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจเพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาในขั้นต่อไปเสร็จแล้วพระอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาร่างกายให้มองเห็นโดยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ คือแยกออกไปว่าร่างกายนี้มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟในเมื่อแยกออกไปแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจจะนาให้มองเห็นเป็นนิมิตว่าร่างกายนี้มีแต่ดินน้ำลมไฟกันแท้จริงจนกระทั่งจิตยอมรับว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในดินน้ำลมไฟไม่มี ความเป็นคนเป็นสัตว์เพราะอาศัยดินน้ำลมไฟยังคุมกันอยู่มีปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองโดยความเป็นเจ้าของเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมจึง ท, ทำให้เราเกิดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนยึดว่าของเราของเขาร่างกายของเราของเขาในเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มี ในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวนาก็ได้อนัตานุปัสนาญานเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาหมดทั้งสิน้นภูมิจิตภูมิใจก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งมิปัจฉนาเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นปฏิปทาของท่านอาจารย์เสาและอาจารย์มั่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพียงเล็กๆน้อยๆนํามาเล่าเพื่ออาจจะเกิดประโยชน์แก่วงการนักปฏิบัติบ้าง ดังนั้นการแสดงธรรมะอันเป็นคติเตือนใจในบัดนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาเวลาผ่านไปถึงห้าสิบสามนาทีก็เห็นว่าพอสมควรหากจะแสดงไปมากนักท่านก็เพียงพลํำเกี่ยวกับการฟังธรรมซะจนบางทีอาจจะนึกว่าเป็นการลบปวนโสตประสาทจิ่งใครที่จะขอสมมติยุติลงด้วยประการทนี้ การรู้รมเรียนธรรมก็เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติคำสอนของส้มเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้ทาทั้งนั้นทั้งนี้มีถึงแปดเปิดสี่พันพระธรรมขันธ์เป็นแต่เพียงหลักวิชาการเป็นทฤษฎีเป็นสูตรที่ให้เราอาศัยเป็นเครื่องมือเพื่อค้นคว้าหาความจริงตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราจะพยายามทาจิตใจให้ยอมรับ ก็คือกฎธรรมชาติที่เป็นผลเกิดจากการกระทำคนเรามีกายวาจาเดชใจไตรทวารทั้งสามเป็นบ่อกเกิดแห่งบุญแห่งบาปในเมื่อเราทำอะไรลงไปด้วยกายวาจาเดชใจทำลงไปแล้วย่อมโต้ตอบคือเราจะต้องรับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอน อันนี้เป็นกฎธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทำของเราเองแต่กฎธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งคือความยักย้ายเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมที่เราได้ยินได้ฟังว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนให้เราพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนึองๆทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากๆ จนกระทั่งสร้างสมถภาพทางสติให้มีความเข้มแข็งพอสมควรที่จะประคับประคองจิตในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีอันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติสภาพจิตของเราจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจะไม่ปฏิเสธความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราไม่อาจสามารถที่จะคัดค้านหรือปฏิเสธได้โดยประการทั้งปวง เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็จะรู้ซึ่งเห็นจริงดำรงตัวอยู่ในความปกติภาพไม่วันไหวเราก็จะมีความสุขกายสุขใจได้โอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยความสบายใจเป็นอย่างยิ่งการแสดงธรรมอันนี้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอยู่บ้างหรือจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลขออุทิศถวายเป็นดอกไม้บูชาบุรพาจารย์ที่่วงรับไปแล้ว และเป็นการขอสมาครูบาอาจารย์ที่ยังดำรงที่พิจูการแสดงธรรมถ้าหากว่าผิดพลาดด้วยประการใดขอฝากไว้กับท่านผู้ปัญญาชนได้ช่วยพิจารณาถ้าใครจะฝึกหัดตนเป็นพระโสดาบันต้องเป็นผู้รับฝังมีปัญหายังตกค้างอยู่อีกอันหนึ่งว่าสกายะทิฐิสกายะทิฐิหกสิบมีผู้ถามว่า พระสดนละสกายะทิฏฐิได้แล้วทำไมจึงต้องมีราคะอยู่การละกิเรสของพระโสดาบันในขั้นนี้เป็นแต่เพียงละมิถาทิฏฐิสกายะทิฏฐิคือความเห็นเข้าข้างตัวหรือพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นจะขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตน พระโสดาบันแม้ยังละขันห้าไม่ได้แต่ก็ละความเข้าใจผิดคือยอมเชื่อคำเทศของพระพุทธเจ้า ว, ว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาปิญญาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระโสดาบันฟังแล้วพระโสดาบันก็ไม่เถียงพระพุทธเจ้าถ้าพระโสดาบันองค์ใดยังเถียงพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่า โลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าท่านผู้นั้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ยอมรับและไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงไม่เชื่อพระพุทธเจา้าได้ชื่อว่าผู้นั้นไม่ใช่พระโสดาบันการละสกายทิฏฐินี้เป็นแต่เพียงละความเห็นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายถึงการละกิเลส ไม่ได้หมายละโลกเปทนาสัญญาสังขารวิญญาณเด็ดขาดลงไปพระโสดาบันยังยึดถือในเบรจะขันอยู่ยังถือว่าเบนจะขันนี่เป็นเราเป็นของเราแต่ไม่ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระโสดาบันแมลักายะทิฏฐิแล้วก็ยังต้องมีราคะความกำหนัดยินดีอยู่ ปัญหานี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจบุญบา ร, รมีของท่านเองด้วยของครูบาอาจารย์ด้วยและด้วยอำนาจของร พ, พระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นสรานะที่พึ่งจึงช่วยเป็นปัจจัยปุดหนนเกื้อกูลพลังจิตของท่านทั้งหลายให้บรรลุถึง คุณธรรมอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเถิด